เวลาทุ่งไข่สัเม์โมทนายกสามีต่อเวลาแต่การตั้งใจทำบุเองไม่มีเมื่อเวลาสามีเป็นทหารตัวเองก็เป็นด้วยอย่างพระนางพิมพาไงล่ะใช่จาได้มันล่าตอนนี้พระนางพิมเร็เดพลนาบุรินเนี่ยลองเ่าหน่อยดิคือพระนางพิมพาเนี่ยความจริงแล้วไม่น่าจะเป็นพระนางวิจุรีแต่ด้วยเห็นสามีทำดีแล้วก็ คอยยินดีกัษสามีด้วยโดยที่พยายามเมื่อสละโลกโลกออกก็พระราหุนก็ได้เป็นพระอรหันต์พระนางพิมพาก็ออกบรรพชาเป็นนางมิจุนีเมื่อเปน็นนางมิจูนีก็ตั้งใจดำเนินรอยตามอย่างพระสามีทุกกระเบียดนิ้วขนานิสมที่ไม่เคยต่งสมอบลงมาตั้งัจ หนึ่งปีถึงน้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีก็ดีของพระนางพิมพาที่ได้จิตไปสรารสมอบรมมาก็พาให้พระนางพิมพานี่พระคุณเจ้าได้เป็นพระอรหันต์เรียกว่าเป็นนางชุตรีในสมัยเนี่ยสามีเป็นพระสัมมาพุติเจ้าพระคุณเจ้าค่ะที่เรื่องพัฒนาดูสักหม่อย ก็ควรจะเป็นคติสอนใจข้าบันดาญาติโยมผู้ตบริสัทธที่มาฟังเทศว่าคุณโยมห้อยเนี่ยก็คือเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษกว่าเราใช่ไหมแล้วท่านครูเรามีหนังโยมห้อยก็มีหนังใช่โยมห้อยมีเนื้อเราก็มีเนื้อโยมห้อยมีผมเราก็มีผมมีไฟก็มีเหมือนกันทุกอย่างเรียกเอามีขันท่าเข้ากันเท่ากันใช่แต่ว่าคุณโยมห้อยทําความดีอย่างนี้ได้ข้าบันดาญาติโยมท่านหลายจะทามั่งมีใครห้ามไหม วั่นีใครเขามาห้ามมันเลมต้องตัวจะห้ามตัวเองเท่านั้นแหละเองคันอาหังอาหังสองคันไหมใช่อาหลังไอ้โดยพุณทรายชอบไหมท่านแหล่ห้ามันนี้เท่านั้นแหละเราต้องใจจริงอ่ะสำคัญติดคนพระคุณเจ้าอ่าครับครับครคับคนทุกคนผมไม่นั่งพิจารนาดูแลที่นั่งอยู่ในตลาดนี่แหละเร่าครับขึ้นชื่อว่าบาดไม่มีใครต้องการคุณเจ้าบาดคุณก็เลยชั่วใช่เพราะมัน่ายชั่ว ขึ้นชื่อว่าบุญต้องการเทานัต้องการหมดแล้วขึ้นชื่อว่าจนก็ไม่มีใครต้องการครับครต้องาเป็นคนรวยเท่าั้นครับครแล้วขึ้นชื่อว่าความโง่ก็ไม่ต้องการต้องการเป็นคนฉลาดเท่านั้นแต่ทั้งสามประการนี้คุณเจ้าน่าสงสารหมือกันทำไมเลยเพราะเขานั่งเขานอนเขายืนเขาเดิน อยู่กับตัวตัญหาโลกโอดหลงเขาแกะกล่องมันได้ย er ังไงก็ไม่ร <okay okay ู้ก็เลยเชื่อว่าแม่แม่ตันหาจะจนเสียคู่เสียคนเลยและคนไดูอาจารย์ตัหาก็ได้แล้เดี๋ยวแค่ตนหาเป็นไงเป็นไงแล้วก็เสียคนเมื่อรอบก็แ่จนแต่ละนนะดีจจะเวลนาที่แกไปเทวดาแล้วเนะย เทวดาครับเทวดาขวดมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ีเทวดาตัวเทวดาเสียงครับเือเออี่มานี้ไม่ยังันเต้นอยู่ทุงหน้าตลอดอันี้พจดดีนี่จะบอกไอ้ไงเป็นไงนี่ขายกวัดเออผมไม่นึกเลยว่าขายกวัดเขาจะดันไปมาลกเออเลยไรมไม่นึก ผมนึกว่าเขาเป็นผู้นำของวัดทายกาทายกาเขาเป็าผู้ให้ใช่ไหมครับผมไม่รึกแต่ว่าอิกสักจำใจไหนดันก็เป็นเป็นเศษเศษไปได้ใช่ไมเเล่าให้ฟังเล่าจะเล่าให้ฟังแต่ว่าท่านสายจาไว้ดีนะจำไวดีแต่ว่าไม่บอกวัดนวัดไหนนะเราไม่จะรู้ต้องบอกสิบอกประเด็นเขจะด่าแม่เราถลัว่าเขาเอ็นการที่ดีนี่วัดนั้นแบ มีรายได้ดีเจ้า oh, oh. ใช่ไหมเล่า oh. แล้วก็เีก็ยุงพ่อวัดนั้นน่ะแกก็อยากจะซ่อมแซมวัดไอ้วอดสดไอ้ที่มันเก่าที่หานมันเก่าไป อ, อยากจะทำให้มันดีขึ้นมาแล้วก็มาบอกก็อาจารย์ น, นายจันเลยมาวัดเราก็มีหลายทุ่ง มึงไปให้เขาเช่าแล้วก็สามส่วนทักส่วนนะเราเอาส่วนเดียวอีสองส่วนให้คนทำมันนาของเราดีนี้ทั้งนั้นแหละนะแล้วกงเงินด้ดี่อ่ากูบอกใครที่เขามาทำผลกูจะจอมเอาอูโบสตองสาวพิหารบัางเนี่ยมึงเอาไปเก็บไปนะย้ายไปหายส่วนไม่ได้เดเอาก็มึงได้สมางการิไมก็ลงเลยหมดเลยไอ้จันอีขั้นแรกเงินมันก็แค่ เรียกว่า่นองหมืนมันก็น้อยนะเจ้ากายนี่พอเงินมันมันได้เป็นสองสามมืนี่หมื่นท่ก็เลยเอาเงินของของวัดน่ะไปออกดอกแล้วพระคุณเจ้าออกแล้วออกแล้วเพื่อน้สนทานที่แเรียกว่าไปให้คนโคก้แล้วก็ติดปากไอ้คนโค้งมึงจะบอกให้หลวงพ่อรู้นะถ้บอกใครู้แม่หนรู้แล้วกันไม่แก่ดอกเบี้ยให้วัดกเลยไม่เอาดอกเบี้ยเข้ากระเป๋าโอ้ห่าเข้ากระเป๋า แล้วก็คนด้วยจนหน้าก็เฮ้ยมึงต้องแหนกขึ้นนะน้าเนี่ยพี oh. ่พ่อบอกเอาสาส่วนกัตัวยเอามึงต้องให้กูส่วนหนึ่งโอ้โหสามส่วนมึงเอา2ส่วน oh. น้าแน่แดงมือกี่ส่วนไปเลยครับครับใช่ไหมครั บ, บเอเล็กซ์อีคนนีก็แค่มีลูกสาวาสอีกคนสวยซะด้วยสิครับครับ อีโผมเห็นลูกสาวสวยลูกสาวสองคนแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งนะเรามาอยู่มได้ขี่เกลลูกชายก็บวชเมื่อลูกชายบวชลุงพ่อแกเป็นลูกปชายนี่ก็จะบวชให้ใช่ไหมแต่กิจการเขาก็บวชลูกเขาปีนั้นเขามีเรียกว่ามีหนังมีแกเรละครกันลึมล่ังทายลกนี่ รวยคนรวยอ๋อคนที่ส <ๆ S 2> ุดเ <ๆ S 2> มื่อก่อนนี้เป็นคนเช่าตามเนี่ยเขารู้กันเดินที่เ<ๆ>อ<ๆ>็ดเดินที่สองนะเขาทอดจะถิงแล้วก็เพดข้าวปลาแล้วก็มีการแข่งเรือกันครับครับแยล้ครับแล้วก็นี่ก็เข้ขาวมอมมันเข้าเหลืองฝวนมันก็ตก พรมพรมพรมพรมเดือนสิเอ็ดเดนแมนะข้ามันออกข้าวเบาน่ะแล้วก็ไอลูกชายพอออกพัรษาแล้วนี่ลูกชายก็ดึกดึกก็บอกไปลูกชายแ่ละมึงไปหอน้อที่ไปไอหอน้นอมันกินข้าวอาจารย์อลูกชายตาหอน้อว่าผ่าลูกชายตายแบบคุณเจ้าแล้วอ้าว ลูกชายตายที่นี่มาเ ย, ยหอมเมียไปจุดกันเ ย, ยหอมนี่เขก็เสียอกเสียใจที่ตอนนี้จันหอมเนี่ยเนี่ยหัว เ, <ล>วเี๋ยกันเลยเยหอมงานนี่หัวทยกแต่จันเมียชื่อเยหอมอ๋อเรียกว<บ>่<บ>าเรียกว่าจันหอมงานานนี้นนนจันหอมเน่ยเราพอนึยคนเยหอมก็ลมไม่ดีจากจาเสียใจลูกตายลูกเกิดใหม่ใม่ว่าจะขอลูกสาวเขาบันบันใจให้ซหน่อยเ <c oughs> ลยไม่ได้อะไรจันี้กสุดเราก็เลยว่าหายทีนี่ แล้วพอได้ตก็เหลือไม่ทีวันเพราะเผาลูกชายไปแล้วกป็นแม่แจ่มไม่ทีวันพราะเขาก็ไปแข่งกระเรือถอวยกระถินกันเทป่อฝากระด้วยลูกสาวก็บอกกับแม่ทั้งคู่บอกแม่ฉันจะไม่แข่งเดือกเขาแม่ก็เลยให้ไปแต่งตัวซะก็ไอเรือลำอื่นเขาไม่ลอบไปร่อมอีลำนั้นแหละลเลอยอจจลูกสาวทั้งคู่ตายหมดเลยตายตายหมดทั้งคู่เล ย, ยเอา้าวตายหมดทั้งคู่ทํางไงพี่กลับมาใหญ่ ใจหอมไม่กินข้าวท่านแล้วสิตอนเผาลูกสาวทั้งคู่เนี่ยวจหอมฉันไม่อยากกินข้าวเลยฉันเพ้อฉันคลั่งเงี้ยทนแล้วสิไป จ, จันก็พยายามพูดถึงเนี่ยเข้าใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดารเมี ย, มย จ, จ, จันก็ไม่ยอมเชื่อแต่ผนที่สุดอ่าไปจันก็งวัวมาคุยกับลุงพ่อซะมากมายเพื่อใหอารมณ์ไม่ดีๆขอคําแนะนําจากลุงพ่อลุงพ่อก็แนะนําไม่ดี จะพ้นไดดประจันเถอะไปหน่อยทำไมเยี่หอมผูกคอตายที่ไหนด้านในเนี่หมดแล้วสี่คนเราไมเล่นเถาก่อนใครมีเหลือประจันคนเดียวเจ้าเจาเหลือประจันเอาเหลือประจันคนเดียวทำไงเราคุณเจ้ารู้ไหมไม่รู้ที่จดอก็ ความก็แดง่ะสิอ๋อไอ้พี่แกทำความรับอะไรไว้ต่างๆนานาของวัดเรื่องเงินของวัดก็เอาไปให้คนนั้นกู้คนนี้กู้ไอ้พวกนั้นก็มาบอกไปสิว่าลุงพ <pop anden favour informação> <pop anden> ่อเงินของวัดจริไอ้ระจำไปเก็บไว้เลยน่ะ ให้คนนั้นกู้ไปเท่านั้นคุณมีกู้ไปริ่งหนึ่งกู้ที่ก็แดงนาลุงพ่อให้สามส่วนประจันมันก็เอารสส่วนหนึ่งแดงแล้วครับครับแดงแล้วเรื่องจริงแดงแล้วรับสิโลกยังแดงนะใช่ความรับในโลกไป่ดีแล้วล่ะอแล้วผลที่สุดเป็นคนย้าวประจันอยู่วาดไม่ได้ทำไมล่ะครับคิดถึงโลกคิดถึงเนื้พูดเพอพูดคั่งก็ไม่อยู่อาศัยอยู่หน้าวัดเพราะวัดเขาลุงพ่อแต่มันอยู่ ติดก็ไม่นำเจ้าพยาเจ้าเก่าเก่าเออนะฮะติดก็ไม่นำเจ้าพญาดูสิเว้ยละเออครนี้ก็ก็มาอยู่อีสลาอกแตดมาอยูนั่นคนี้พวกหลานไอพวกพี่น้องลูกไอลูกของพี่ชายน้องชายก็เอาข้าวไม่กินเดินไปเดินไปก็กินหนักพอจะบอกว่าต่อไปนี้มึงไม่ต้องให้กูละแล้วข้าวัดที่หลวงพ่อให้กูกูก่กิน ก็ข่าวมัเป็นไงยุงไม่กินน่ะเป็นเพราะอะไรก็เศรษฐกิจนเราต้องบรรยับเศรษฐกิจแก้ว่านอ๋อขี้ในตัวเรามันมีถฉมไปไปกินมันใหม่แล้วพออนนี้คำถูกเลเนี่ยอาถูกไปตันทรทําทำจถูกถูกอ้าวจะมีพอกขี้แข็ขึ้นมาแกก็กินขี้งได้เลยเนยถูกนี้ขี้อีกแกก็กินไปก็หาใหม่ใช่จะบอกว่าปัญหาดิ มันอยากเสียสถิตได้ดีเออนะและผลที่สุดอาจารย์จสจินที่หนักเข้าเ <c oughs> ขานี่ <c oughs> เวลาเราเราปีสองครับครับอีสามปีสี่สามทุวโมงเนี่ยนะฮะใจจะลอง ล, ลองอะไรลองโอ้ยมึงอยากตีกูมึงอยากแทงกู มึงจะตีหัวก wow ูทำไมมึงจะแทงหัวใจกูทําไมรอใหเขาชะม่านเขาช่วยเขาบ้านเขาก็มาดูแผลก็มาดูไม่มีอะไรเป็นใบละยันใจลองคนเดียวเขาก็เองเขาก็ไม่รู้แปลกใจเป็นยังไงคราวนี้เขาก็กลับบ้านแกก็ลองอยู่งั้นลองอยู่งั้นไม่ถึงเจ็ดวันนักสกุลเจ้าขาดใจตายอันนี้ ความอันนี้ก<ช>็แก่ความชั่วของแกที่ทำไว้นะฮะโอ้โ ห, โหอีกคันี้ไม่ต้องประกาศอันเชือกพิงเลยใครรับเดลียลูไม่ต้องพูดแล้ว <laughs> ให้แฝงหลอกบานหมดเขาันจริงกรงหลักโบราณเขาบอกว่า <c oughs> ความจริงหนีจริงสิ่งนี้จ้า อ, อ๋อิงปู น, นมากรลอนทองไม่ต้องแหนงห่งสีเดิมดำไม่จะทำเป็นสีแดง และอินแปลงเขาก็รู้ว่าพระอินกลอมอ่าไอแกงน่อ้าวไอแกงจะพูดอะไรคุณพอนึกไม่ไดพึ่งใครมาพูดเนี่ยใช่มีน้ำลือดพรเจ้าแรับแล้วใครกันทนี่ขอแล้วเดี๋ยวยังเยอะมันจะมาสรุปก็ได้จให้สรุปกให้ชาสุสรุปนานๆมาตังวมันก็จะสรุปยะวให้สรุปที่เอานานมาทีอานแค่ไหนมาตานเลย ในการเป็นผีดุตอาวันสารขคงการเระเทศนาณโอกาสวันนี้เป็นการเทศฉลอดแจ้งอ่นเรียกว่าฉลองอัดจบของยอมห้อยบุญญาน้อยน ะ, ะท่านทั้งหลายขอเตือนจิตจิตใจท่านไว้นิดหนึงท่านทำอะไรกนก็ทำได้ท่านฟังเทศท่านก็รู้เรื่องเรียกันทุกท่าน ขอให้ท่านทาได้ดีเข้าว่าอย่างเดียวส่วนชั่วเมื่อท่านทามาแล้วขอให้ท่านหยุดไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็มุ่งหน้าทําดีกันต่อไปเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะหนีไอ้ตัวตายไม่พ้นทําไมหนีไม่พน้นเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเราจําเป็นจะต้องตายไม่ใช่ว่าเราอยากสายนะ เราจำเป็นต้องตายแทนตายวันนั้นเถอะพูด ง, ง่ยายๆแบบนั้นนะเอาละท่านทั้งหลายบนพระ า, านุสงฆ์อันใดที่เรียกว่านิมนพระไปที่ไหนพระท่านกว่าท่านว่าอภิว า, านษษธนาสีลิสนิจังอุตสาปใจโมจัตตาโลธรรมาวันตีอายุวันโนสุขันพรัง ถ้าจะแปแลเปภาษาไทยก็ท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนที่มีกิจอ่อนน้อมกราบไหวบูชาสักการะเคารพก่อพ่อแม่ปูญยาตาดายผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อเราและต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้ บุคคลเช่นนี้จะได้รับพรสี่ประการคืออายุเป็นผู้มีอายุเยืนเช่นเจ็ดสิบ้าปีก็อายุไขยอย่างยงห้อยมีกว่าเกินได้กาไรนะแล้วก็วันมนาะผิวพรรณก็ผ่องใสไม่เจ้ามองสุขะ ความสุขกายและความสุขใจก็มีแก่เราผู้ยังมีชีวิตดว ง, ดดงและพละกําลังกายก็สามารถประกอบกิจการงา น, านเลียงตัวเองได้สมบูรณ์กําลังปัญญาก็สามารถเฉลียวฉลาดรู้แจ้งแทนตลอดธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าได้และกําลังทรัพย์ เมื่อเขาจะบอกบุญอะไรเรามีทัพย์ทำบุญกับเขาได้ทุกคนทุกคนตลอดไปด้วยกันทุกท่านท่านชายและหญิงเทินโยมเคยปฏิบัติหรือเปล่าเนอะใช่เลยเนอะคุณเออเขาถือวทำาแล้ว เริ S 1> <S 1> ่มติดตาแบบเดิมที่ได้ติดมาเท่าไหร่โย่จะได้ไม่ขาดองอแต่สุดขั้นนี้มันพังหมดเพราะว่านี่คือแม่ทุสมาร์ทเขาไม่ได้อาจารมีกองใหญ่เลขที่10แต่แล้วก็มหาวิทยาลัยก็จถามเยอะๆว่าจะได้อาจามาเป็นแบบไหน เลขสิาทปดเลขสิบคนต้องการเหมือนกันเลขสิ่เนมาที่นี่นะที่เรื่องการสว่ามันเลขสิบแปดเพราะว่าท่านแดงเจอคนคนไม่หกอย่างในคนคนมันอ็มีราชาเจริศโสดเจริศมหสถเจริศพิทักสเจรสัจจเจริศพุทธเจริศท่านแดงไม่สิบสี่ลังเท้าสิบสี่คนแดงเป็นหัว สำหรับคนที่มีลาคาเสรีแต่คำว่าหนักไอ้เสที่สุดมากเรามีด้วยกันเหมือนเหมือนกัหมดทั้งหกนะแต่ว่าอันไหนหนักกว่ากันถ้าอย่างไหนหนักปราศจะนั่นก่อนถ้าราคาเะรหนักให้ใช้สมาธสเอ็อย่างพว่าสิบเอ็อย่างนี้ไม่ไ้ตัวอย่างใดอย่างหนะ่ะจะมีอัตตุสมานสิบอย่างกับกายและายก็สิบอย่างที่สหรับตอารม์ ถาหาว่าหนักแม่โพตากะดิบก็แ่กรรมฐานแอย่างคือกมีฐานมีสีแล้วก็ขรทถิ่สีคือโรดิกระิ่นกระถิ่นนแดงขนเหลืองข้เขียวขึ้นขาวทแปดอ่าไม่เยอะอะไรอย่างเง้ยอาตือหลักบรดการมีตุกกระิบก็แกรรมฐานมีตงกกระดิกับโหะกริให้กรรมฐานอย่างเดียวคือกระโดดรูลงใส่เรออกเจาลาสิเดียวออกส แต่ตัวนี้วราตัพุ่งสาอยู่เป็นที่สนดชหถ้าหาว่าจิตหนักไป น, น, น, น, น, มมนั่งสัทธาใจแค่คำ ว, ว่นฉันหัวใจนง่นคือสติปันแต่พุทธานุสติสัมมาลัคนุสติการนุิสีลานุสิสีวะานุสติบางอรานุสติอาจิตหนักไป น, นั่นพุทธาใจสีฟ้าเฉลดีดบางวันเปนฉลีย่ย บางวันมันก็โง่คนที่เช้าสลาดบ่ายโหกคนอู่นมีไม่จบนี่อะไออกแต่คนอื่นมีเรื่องดีจาระตมามีบ่อย็ล้าเวลาไหนจิตสงบเคยค้านสลาดให้ใช้กรรมฐานสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือมรณาลุกจิตหาร้อยตรีโกศียาปฏิภาวนฐานสีครับสุกขลมาลุกจิตรวมแล้วสามสิบไม่สามสิบรสุบอย่างที่จจง กับสรูปปีสีกตะอดปสิอย่างนี้ท้ายนี้จะถือว่าเป็นกรรมฐานกลางใช้ได้ผลเรียกว่าพระพุทธสุขารุปตะโกในการขึ้นต้นขอการใปกรรมฐานทั้งหมดจะต้องขึ้นโดยนับปาลุสี่เหมือนกันหมดที่ยอมยอมคุมาแล้วต้องังนั้นเื่อฝิกถูกก็ต้องบอกว่าที่ยนี้ เขาบอกึไหมโอ้เปนธรมดาเลยถ้าโยมจะไม่พุ่งส้านเลยโยมต้องเป็นาเนี่ยนะเรว่าการพุงสร้างนีดี๋ยวพระนาคามีอย like ู <c oughs> <c oughs> ่เลยอาลัทธิมัตยยัง่งส้างเพืาว่าในสัญดุติเศรษกที่มีที่จะส้างก็มาจากตรรามา สามอย่างนี้เป็นท่าตากท่าจะเป็นะโสดาบัยกับนาคามใส่เป็นพระนาคามีตัวตัเพื่อนอีสองคือกรรมละจันทากับปิชาไม่อนาคามีนะถ้าจะเป็นพระราหันอยู่ในเจรัตธรรมะก็ต้องตัดรูปราชาคือหลงในรูปิชาถ้รูปราชาหลงในรูปิชาต้อตัดมานะการสืบเทวาสันตุให้จากทัวปุ้ง้านลยะ อาตมักจะมีฟุ้งซ่านอยู่ไม่เอาวิชาทัานท่านโยมจะไม่ฟุ้งเลยโยมต้องไปอาตมผลเยที่อาตมาก็สูงไปได้เืองเรื่องฟุ้งซ่านตองมีอยู่เะยคือมันต้องมีการเจริญกรรมฐานตอนต้นเขาต้องถือว่าถ้าเราทาสมาธิจิตไปซึงสม่โมงในเวลาซึ่งชั่วโมงแล้วถ้าจิตมีลมผีว่าใจละเียดกรรมฐานนาฏีคนลมาป ที่ว่าราชนะสามลานีเขาที่อยู่นีนะไใช่ว่นั่งขึ่เงโมงแลได้ที่เชิงโมงแตว่าทำซึ่งเชิงโมงจิตทรงเป็นสมาธิเป็นขึ้นเงโมอันนี้เป็นเรื่งาหังเลยไม่ใช่อาตมาเขากระน่กระผเพราะว่าไม่มีลงผุ้งซ่านเลยถ้าโยมทราบเช่นแบบนี้ก็คงจะเบาใจนะเบาใจว่าเอ๊ะเราทำไมพุ่งท่านใชไม่ไม่พุ่ง มีไม่ดีเท่าไร่ก็พุ่งมากแต่เราก็ไม่บอกเนหะ็นไหมแต่แทน น, น, นี้มันเคลื่อนไหวอย่มามันนะี่กต้องพุ่งไม่ต่านหรอแต่ว่าต่อต่อไปอาจารย์พุ่งมันจะต่างกันถ้าจิตอยู่ในขั้นของขันต์สมาธิอุเบการาสมาธิมันอาจจะพุ่งน้อมมันได้กับอาอุปสมบทมากมากวอุปสมบทถ้าจิตอยู่ในขั้นของการตรงาร บางครั стати, Model, ้งก <im> ็จิเจ็น no ้อมไปด้วยอาบุตุสนบ้างและบุตสนบ้างถ้าจิตก้าวเาสความเป็นพระอริยเจ้าสัจปโตดาสิชาทานาชาละธรรมะในด้านนี้ท่านจะพุ่งไปได้บุตสนมากกว่าอาบุตรสนไม่มีแต่ว่าไม่ตรงทางนะบางครั้งเสีด้วยเนาะหมายความว่าจิตตั้งทีแรกมุ่งอรหัตผลพอเป็นพอเป็นกนาทานผลก็เข้าอรหัตมรร ทำไ ป, ไปสัปปมันเริ่มเลยที่นี้ชักแค่นี้ก็ดันเหมือนความจริงเรตายจากความมนคนเป็นเทวดาพระสงฆ์ที่ตัวต่อไปนี้ผันเงได้คะไปฟุ้งแบบนี้นะลาข้างมันมีขึ้นมาแต่ก็ถือว่าที่โยมถือว่าฟุ้งมันไิด า, มายมไม่ฟุง้งเลยผดถ้าไม่ฟงเลยเสียแผลี่โยมตเื่อนี้ไม่ได้ขององเส้หลง เอ้บ้านอยนที่ไหนเนี่ยเออเรทํางานอะไรขายขายก่มีาะมันมีคนหน้าเลยรอบใจอยาจะคุยด้วยสงใจไม่ทราบ่าษาไทยพรมายู่นหน้าอยากจะคุยด้วยเมื่อเมื่อสอบบ้านชาบจะจะมาที่ปรมตูคนถ้าลงแบบนี้ไม่อยากจะคุยด้วย ดูภาว่ า, กกาอยอยี่ตกก็อป็นธรรมนาอะไรอยู่ี่ตกว่าอย่างไรตกที่ที่ที่นีให้พีพ่ตกพยายามก็่จะว่าตกตกได้ไหมี่จะตกก็ได้ยามดีนะม <c oughs> ใครยังไม่คิดยอมต้งสิ่น้มีความใจบนมากแค่ธรรมดาโยมมีใงบนมากคิดมากนักอาจารย์เดิมที่ท่านแนะนามาให้แค่นาปานุสีนีถูกต้องเป็นที่เลยตองเ้าหายเนะถานาปานุสีอส็่กรมถานต้องการขัดขวางูัดข่างใจเลยเป็นกรรมฐานเดียวกับอี่เราเป็นกรรมฐานใหญ่ที่วัดอืมอันนี้แบบใช่ไห น, น<ใช>ี่เราโยมมันดีนะจะทันหมดใจไม่สิทธิ์แต่ว่าถ้าปีสิบนี่ข้าหาวสิ่งใดน่าต้องขึ้นเรือาาก่อนเสมอพามาขึ้นเรือาปาก่อนจอมขกอยอ่ตั้งโต๊อะเลยก็มีนาปานำนะคนที่ได้สอนท่นนที่นั่นนำโมาก่อนก็ได้นาถูกต้อง นั่นมีอะไรอนยะ่างนี้องต้องแนะนำให้ ร, าาหรักษาลมเดินมา <c oughs> <c oughs> ว่าทำถูก แ, <c oughs> <c oughs> แล้วแนะนำต่อไปสิสิ่งเดียวทำดีแล้วเนะราะที่เจ้าอารมณ์มาแล้ถูกต้องและตรงตรงเป้ามหมายทา่อย อะไรอย่างนีก็ไได้แต่มันเป็นไรอยู่ไอ้ยังงี้จะเข้าคุยดีเนี่ยหาเพื่อนคุยไม่ได้เรื่องนี้จะเรีเดีมาคุยไอ้ยกมีขัดคอไล่เป็นไรหรอกใคาอยากคุยเ้าคุยมาเองอ่าจแนะนำอีกก็อีกว่าก่อนที่เดิมเจอแบบร้ t a ภาวนานในดๆนะให้แค่อรื่องนี้ัรั น, นาขึ่ต้นไปสักหน่อยนะอันนี้บรัชนานจริงๆก็ได้จะเอาแบบยอแบบไบร้สัญญาณที่ราปฏิกจาระวัตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแบบนจังหนาะความเที่ยง ไ, ได้เนะ้ทุกครกั้งถ้าเราขกมันเกินไปก็มีลมเลยทุ ก, ล ก, ทกและทุกอย่างในโลกนะไรนั้นลายสป็นลายรวมหมด ก็เป็นุณหาความจริงว่าคนก็ดีแต่ก็ดีว่าสูกดีในโลกเนี่ยไม่มีอะไรตรงตัวใช่นหมเลยมาเป็นด็กเด็กเล็กแล้วก็มาเป็นเด็กใหญ่ถ้ามาเนหนุ่มเป็าวถ้ามาเป็นใบกลางคนแก่แล้วตายนี่พูดถึงสภาพของร่างกายนเมมันก่นอนจะแก่ลุกไม่ได ม, มีการป่วยไข้่ะมาธรรมชาติร่างกายรุ่นคนไม่ต้องการ ม, มีการป่วยไข้ไม่ได้เกิไข้ นี่มาได้ลงทับถิ่นไม่ก็มีการทรงตัวอย่างโยมเนี่ยนะที่เปนาง่ายที่ขอเข้ามาเต็มบ้านเต็มห้องเยอขอหมดแลวเช็นล้วขายไตหมดตะตังก็ขายเต็มหมดไปหมดตมดมดะตังก็เยอะสิเยอะไหมตะตังมากจะซื้อของก็หมายตะตังหายดีว่าขอมาแทนไม่มีอะไรทรงตัวเลยนะ่ไหมไหมดไปหมดฟาไม่เป็นสภา ที่ต่อมาส bon ัตว์ก็โคตรถูกกระเจนอยู่กันก็ต no. ้องคิดว่าการเกิดมาเนี่ยลราเกิดมาพบกับความไม่เที่ยงทุกอย่ยงในโลกมันไม่เที่ยงเราจะต้อไม่รู้ถึกมันเที่ยงในเมื่อตายมันมาแล้วแต่ชั่ววันจะพาดอย่างน right. ี้มันม so ีการเกลี่ยมันก็ไม่มีการตรวจแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะหลายตัวไปเราจะไม่เสียใสจ้นเมื่อขอแล้วมันสูญหายไปแล้วมันเสื่อมไป แล้วก็จะไม่ดูใตจนไปไม่ได้ย้ายของนั่นมาใช่ไหต้องนับอาจารย์ที่อยากถ้าไมีรนาจายม่มหน้ า, า่ายวันนี้ปกติวันนี้โยมคุยไปคือโย ม, มต้องซ้อมนับอีกสักครู่หนึ่ยข้างหน้ามาันจะอิูวใช่ไหมเวลานี้อิ๋ช่โยมจะมสิ่งอย่างแต่โยมต้องซ้อมรเพื่อจนะู <aime> ถ้ามันคิดว่ามันยืดหยุ่นเกิดหิวมานลำบากใ่หถ้ามันหิวขึ้นมาได้ถึงว่าเป็นขอธรรมดาไดถึงว่ารับมันต่อถ่ายกับมันก็ได้ถ้าเมื่อไมิ่มแล้วก็ถือว่าเป็นอดหิวต่อแค่นั้นถึงในความหิวเกิดขึ้นไหมเพราะไั่อยากต่อยอมรับหมถ้าเมื่อร่างกายเรายังดีดีอยู่ไปกับรถลงจากรถ อ่าแล้วมันมาคก็มาคุยเนี่เกออเบลเออดวไหนะุณคุณอนน้ำซึ่งขึ้นเลยถึงดีดด้ลยได้เลก็เขาได้ก็เ้าแล้วโอ้ทำกูดกันไหมล่ะทำกูดกนก็ได้ ตดนโดนอุลุมกูรู้จักไหมแค่หลวง่อมาแม้แต่ผมาก็ต้องคิดว่ามันมีการสงตัวนะเหนุน่าคนเขายิ้มไปเยอะนิดกว่าที่สบตาวันสักวัยราหนึ่งเขอาจจรยกเรไม่ดีหน้าเสียแล้วก็รับรับรับที่จะไม่กดคิเรื่องธรรมดานี่กดธรรมดานี่อย่าวิวัฒนายารนี่ไม่เหมือยมา เรเจ้าท่ายอมนับทั้งสือกฎธรรมดาและความจริงถ้ามันยอมับเราัหมดแลอารมณ์มันเม่ติดทุกข์แต่ที่เวลานี้ต่อตามนี้นจะไปได้พอใจเท่าไรก็ภาวนาไปเลยภาวนาไม่จับารมณพจก็อดไปภาวนาไปไงก็